ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศมารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิท ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมผลของฉันท่านเจ้ากรรม สัญจิตตกัมมังอสัญจิตตกัมมังขมันตุมีอโหสิกัมมังภวตุมีกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทํา ในพบชาติใดก็ตามภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวร ยกถวายพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวณต่อกันตลอดไปอภัยทานขอพร้อมครอบครัวดล ผู้มีความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้นั้นอย่าได้มีข้าพเจ้าจงพ้นจากความ ที่เป็นไปโดยชอบเป็นขอให้สิ่งนั้นโดยชอบประกอบด้วยธรรม คำว่าพ่อคําสั้นจําง่ายแต่ก็มีความหมายโลกหากขาดพ่อแม่ ก็มีไม่ได้ในตรงกันข้ามหากขาดแม่ได้ในตรงกันข้ามหากขาดแม่พ่อก็มีไม่ได้เช่นกันพ่อหมายถึง ลำพังคําว่าพ่อคําเดียวเช่นพ่อบ้านพ่อเมืองพ่อเลี้ยงพ่อหลวงหรือหลวงพ่อเป็นต้น ลูกทุกคนโตขึ้นมาได้ทุกคนโตขึ้นมาได้เพราะอาศัยพ่อแม้ไม่มีโลหิตคือน้ํานมเลี้ยงลูกก็ เหมือนแผ่แตกและฉะนั้นพ่อจึงเป็นผู้ให้ยอดของทรัพย์ ครั้งยังเป็นผู้สร้างเพราะมีได้เพียงคนเดียวมั่นยากที่จะหาสิ่งใดเปรียบมั่ง ที่โลกเรียกร้องพ่อต่างๆกันแต่ละเช่นคำราชาศัพท์เรียกราชการเรียกพ่อว่าบิดา คำเรียกชายผู้นั้นว่าพ่อติดปากชาวบ้านเรียกชายสามารถตรวจ 1 ดูที่ความรักที่จะรักเราเท่าพ่อบ้างรักมีชายคนไหนล่ะจะรักเรา 2 ดูที่ความ ที่ Accru Hmmm держ up เนี่ย precis กว่าก็จะอย่าม Akthole is Auchan. The only thing as you are doing is just an okay.ürü gold world, major youtube of the scriptures at the time. You can D By autograph, who had benefit in us? Cont These days the ยอมทนลำบากตรากตรำเพื่ออนาคตของเราทั้งนั้นคำว่าแม่ และให้เกียรติเพราะหมายถึงหญิงผู้ให้อุ่นแรกที่ได้อุ่นจากอกแม่เสียงแรก คำว่าแม่จึงมีอิทธิพลต่อเช่น จีนอังกฤษเรียกแม่ว่ามาเธอร์ฝรั่งเศสเรียกแม่ว่าแขกเรียกบาลีเรียกมาตาสันสกฤตเรียกแม่ ภาษายาวีเรียกมะภาษาอาหรับเรียกแม่ว่ามอแม่จึงมีความสําคัญยิ่งนักเพราะ ที่เราโลกต่างยกย่องให้เกียดแม่มากยากที่จะหาสิ่งใดเปรียบคนเดียวโลกๆกันแต่ละเช่นเรียกแปลว่า ผู้คือแม่สู้อุ้มท้องประคองครรตั้งแต่เล็กแม่ให้การเลี้ยงดูให้แม่ แปลว่าผู้เป็นใหญ่หมายถึงสิ่งที่มากด้วยคุณผู้เช่นแม่น้ําแม่ทัพแม่บ้านแม่ครัวเป็นต้นแม่บ้านแม่ 1 ดูที่ความรักมีหญิงคนไหนจะรักเราเท่ากับแม่บ้างความรัก 2 ดูที่ความเป็นห่วงที่ความ ห่วงใหญ่แม่ยอมอดเพียงแต่ขอให้ลูกอิ่มท้อง 3 ดูที่ความเสียสละใน ยังกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินแม้ ดังที่พ่อแม่นั้นโสณะเช่นเป็นพรหมของลูกหน้าพ่อ ได้แก่รักลูกดุดแก้วตาดวงใจปรารถนาหน้ากรุณาสุขของลูกฝ่ายสงสารเห็นใจเอาใจ หน้ามุทิตาอิ่มเอมใจยามลูกได้ดีไม่อิจฉาไม่ริษยา เป็นครูคนแรกของลูกครูคนแรกของลูกเป็นครูคนนำคือทําให้เป ผู้ไม่มีกิเลสสําหรับลูกเป็นนาบุญ เป็นแพทย์เป็นเพื่อนของลูกเพื่อนของลูกเป็นเพื่อนในบ้านคําที่ว่าบิดา คำคนแต่ก่อนท่านกล่าวไว้ว่าขาดพ่อเหมือนท่อ หรือหางเสือหันเสือเรืออาจจะต้องเคว้งคว้างหรืออัปปางไปไม่ธรรมดา ผู้ที่เป็นกำพร้าย่อมจะมีความลําบากมากเจ้าประหยัด ทั้งพ่อทั้งแม่ท่านทั้งหลายเรามีพ่อได้คนเดียวท่านทั้งหลายเรามีพ่อได้คนเดียวมี เพราะฉะนั้นฉะนั้นควรทนุถนอมให้ท่านได้ๆอย่าสร้างความชอบช้ำระกำ ท่านพ่อแม่ถึงจะต่ําต้อยความหวังไว้กับลูกพ่อแม่ถึงจะต่ำ พ่อแม่แม่แม้จะไร้ศักดิ์ศรีก็หวังจะให้ลูกมี หมายเจ้าเฝ้ารักษายามเมื่อถึงวันตายวายชีวา ได้พึ่งพานี่คือความหวังอย่างหนึ่งของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนอกจากนี้ยังมีนักประพันธ์ท่านหนึ่งเขียนกลอนสะท้อนความรู้สึก ประพฤติตนเป็นคนชั่วลูกกี่คนทนได้ไม่หมองมัวไม่ ขยี้ความหวังของพ่อแม่ให้พังพินาศไม่ เมื่อเกิดมาแล้วก็จําเป็นต้องเลี้ยงดูตามหน้าที่บางคนถึง ไม่ได้เกี่ยวกับพ่อแม่ท่านทั้งหลายลองตรองดูสักนิดที่อ้างว่าหากินมาด้วยแข้งของตัวเองนั้นแล้วแข้ง จะเอาแข่งที่ไหนไปทํามาหากินนี่แหละที่ แต่เลี้ยงลูกเป็นโหลๆอาศัยปีก 2 ขาโอบอุ้ม ให้แม่ไก่เมฆไก่คนในยุคสมัยปัจจุบันบาง จะกินก็กลัวจะสิ้นเปลืองพ่อแม่กิน